เรามาขนาดนี้กำลังพอดีเลยสำหรับการเรียนกรรมฐานกลุ่มใหญ่เกินนะเรียนได้ไม่ดีคนเทศธิรพันธ์นี้นะโอ้โอความเข้าใจจะแตกต่างกันเยอะเลยแต่ความจริงก็เป็นปัญหาไม่มากอะถ้าถ้าคนจำนวนมากก็จริงนะแต่สงบถ้าคนจำนวนมาก ไม่สงบนะกกระทบกันไปกระทบกันมาใจของคนฟังไม่สงบคนเทศก็ไม่รู้จะเทศยังไงเหมือนครูนะสอนนักเรียนวกแวกวกแวกนะันักเรียนครูก็สอนยากเรื่องธรรมดาสมัยก่อนครูบาอาจารย์เข้มงวดมากนะอย่างเวลาอยู่ในวัดเนี่ยทำเสียงดังไม่ได้เลย เดินดังยังไม่ได้เลยยิ่งเห็นใครเขานั่งภาวนาเห็นใครเขาเดินจงกรมอยู่นะเราจะผ่านไปใกล้ๆต้องระวังมากเลย ไ, ไปรบกวนเขานะครูบาอจารย์จะตำหนิอย่างร้ายแรงบอกว่าเผื่อในขณะนั้นเขาใกล้จะบรรลุมรรคผลแล้วนะเราไปกวนเขาจนจิตเขาถอนออกนะเป็นบาปร้ายแรงหรือในขณะที่ฟังธรรมนะบางคนจิต มันเชื่อมโยงเข้ากับสายธรรมใจพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เ, เ, เ, เ, เราไปทำข้อสดดนะดดกเราบาปบาปมากถึงคราวเวลาเราจะได้มากได้ผลบางแจะมีอุปสรรคลำบากงันเราต้องสำรวมนะในขณะฟังธรรมต้องสำรวมณนะอยู่ในวัดนะสำรวม เห็นคนเขาภาวนาเนะอเนี่ยเยไปชวนเขาคุยสงบสํารวมต่างคนต่างภาวนาดีที่สุดเลยการปฏิบัติธรรมนั้นมันต้องใช้พลังของสมาธิมากในการที่จะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจคอวอกแวกก็ไม่สามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามได้ นใจต้องสงบพอสมควรเจ้าแต่ไม่ใช่สงบแบบนิ่งนิ่งสงบนิ่งซื่อบื้อก็ใช้อะไรไม่ได้ใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวใจเป็นเบาสบายนุ่มนวลอ่อนโยนกล้องแคล่วว่อ ง, วงไวรูว้อารมณ์ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้โด ย, ยที่ใจไม่ฟุ้งซ่านอันนี้ถึงจะปฏิบัติจเจริญปัญญาได้ ถ้าสงบแต่ว่าไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของอารมณนะ์เป็นสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะก็ไม่ได้เดินวิปัสสนาเป็นสมถะกลายเป็นธรรมสมถะจิตต้งตั้งมั่นจิตต้องสงบอยู่นะเห็นอารมณ์นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเห็นรูปธรรมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นนามธรรมเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจิตสงบตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ะ จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงถ้าสมถะนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็น1ถ้าเดินในปั ส, ส น, นะจิตเป็นหนึ่งคือเป็นผู้รู้อยู่อารมณ์นั้นเท่าไหร่ก็ได้อารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาทางใจอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราอย่าไปบล็อกไหมถ้าอารมณ์นั้นแรงพอนะมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจ่ เราก็รู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของใจไปกรรมฐานนะปฏิบัติเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจไม่มีสาระแก่นสารเท่าไหร่หรอกอย่างเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเข้ามาไม่ถึงใจนะอย่างน้อยไปไกิเลสไม่ได้เกิดที่ร่างกายกิเลสเกิดที่ใจเหล่านี้กุศลก็เกิดที่ใจมรรคผลก็เกิดที่ใจเหล่านี้ การปฏิบัตินะเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองจิตของเราปรุงแต่งก็ให้รู้ทันนะสุดท้ายจิตไม่ปรุงแต่งก็รู้ว่ามันไม่ปรุงแต่งถ้าเราไปดูจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเราจะเห็นว่ามันมีอยู่ทั้งหมด8คู่4คู่แรกนะจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะ จิตไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านกับจิตหดหูถัดขึ้นไปนะัเป็นการดูจิตสําหรับคนที่มีสมาธิมากขึ้นไปจิตเป็นอุปจาระหรือไม่เป็นได้อัปปนาไมอะไรเงี้ยสุดท้ายจิตกว้างขวางหรือจิตแคบแคบเนเนเรื่องของสมาธินะเป็นเรื่องของการดูจิตของคน ได้ฌานสีส่ตัวหลังสี่ตัวแรกเป็นของคนทั่วๆไปพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยจิตเป็นยังไงเราก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเขาเรื่อยๆไปนะสังเกตดูให้ดีมันจะแสดงเวลาท่านสอนท่านสอนเป็นคู่คู่จิตมีราคะคู่กับจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะคู่กับไม่มีโทสะนะจิตมีโมหะคู่กับไม่มีโมหะ จิตฟุ้งซ่านคู่กับจิตโหดหูจิตไม่มีโมหะจิตมีปัญญาอาโมหะก็คือตัวปัญญาจิตมีโมหะก็คือจิตโง่จิตฟุ้งซ่านจิตโหดหูนี่ก็ตะกูลโมหะเหมือนกันนี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะท่านสอนไม่เป็นคู่คู่คู่ทำไมต้องเรียนเป็นคู่คู่่อจะเรียนไตรลักษ จะเห็นว่าจิตที่มีราคานะก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็กลายเป็นจิตไม่มีราคะจิตไม่มีราคาอยู่ชั่วคราวนะก็กลายเป็นจิตมีราคาคลิกไปพลิกมาได้จนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์คนไหนขี้โมโหนะวันๆหนึ่งโมหโหบ่อยกนะ็ดูจิตมีโทสะคู่กับจิตไม่มีโทสะขาดสติขึ้นมากระทบอารมณ์ขึ้นมา น, ะนี่ใส่เก่ามันขี้โมโหก็โม โ, ม ห, โมหง่าย ก็มีโทสะขึ้นมาพอมีสติรู้ทันนะจิตที่มีโทสะก็ดับกลายเป็นจิตที่ไม่มีโทสะจิตไม่มีโทสะอยู่ไปไม่นานนะพอะกระทบอารมณ์อีกนะี่ใส่เก่าวมีขี้มโ ห, โหเดี๋ยวเมื่อโ ม, ามาโห อ, อีกจิตมีโทสะขึ้นมาอีกดูไปเป็นคู่มันก็จะเห็นเลยจิตทั้งหลายไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่หลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่ จิตจะพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาไม่เที่ยงแล้วเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จิตจะโลภมีโลภะมีราคะหรือไม่มีราคะเราสั่งไม่ได้จิตจะมีโทสะหรือไม่มีโทสะเราก็สั่งไม่ได้นะจิตจะมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเราก็สั่งไม่ได้จิตจะฟุ้งซ่านหรือจิตจะหดหู่เราก็สั่งไม่ได้ญญ ห, ไไดห้ามมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้มันเป็นของมันเอง ตามเหตุตามปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของมันก็มีอันแรกมีอนุสัยชนิดนั้นอยู่ไหมอันที่สองมีการกระทบอารมณ์ถ้าเป็นพวกราคานะนั้พอกระทบอารมณ์ที่ดีขึ้นมาราคะก็ทํางานอย่างรวดเร็วเลยถ้าเป็นพวกมีอนุสัยขี้โมโหพอกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีนิดเดียวนะั้นใจก็ไปตรึกอยู่ในอารมณ์นะั้นโทสะก็เกิด พวกราคะมากไปกระทบอารมณ์ที่ดีใจก็ไปตรึกอยู่ในอารมณ์ที่เป็นราคะยูาราา่ราคะราคะก็เกิดขึ้นมานตัวอย่างเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามเราสั่งจะทั่งจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีสติเราก็สั่งไม่ได้จิตที่มีสติก็ไม่เที่ยงแล้วก็สั่งไม่ได้เหมือนกันจิตที่มีสติอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป จิต ท, ที่มีสมาธิอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเราก็เสื่อมบางคนคลุ่มอกรุ้มใจว่าสมาธิเสื่อมกรรมฐานเสื่อมไม่ต้องตกใจมันเป็นเรื่องปกติเข้าสอนใจลักเราเราไม่ได้เรียนเอาของเที่ยงไม่ได้เรียนว่าจิตจะต้องเที่ยงอยู่งั้นต้องดีตลอดต้องสุขตลอดต้องสงบตลอดเรียนเพื่อให้เห็นมันของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได้ถ้าเรียนเห็นแต่ว่าจิต แต่ละดวงแต่ละดวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของบังคับไม่ไดนะ้ความยึดถือในจิตในใจก็จะหายไปถ้ารู้สึกว่าภาวนานะดีขึ้นดีขึ้นสมาธิก็ดีสติก็ดีปัญญาก็ดีอันนี้คิดเราเองนะจริงๆไม่มีแต่ถ้ามันเจริญมากไปเลยนะรวดเดียวรวดเร็วจะรู้สึกว่าเราทำได้เป็นอัตราเราจะบังคับได้หลวงพ่อตอนเด็กๆนะนั่งสมาธิมาก เนี่ยสมาธิดีไปเจอหลวงปูด่ดุลท่านสอนให้ดูจิตดูใจช่วยนั่งดูได้สบายมากเลยว่าสมาธิเราล้นเหลือมาเห็นความเกิดดับของรูปนามได้เย่แย่ไปหมดเลยพัฒนาเร็วมากเลยใช้เวลาไม่กี่เดือนนะก็พัฒนาไปเรื่อย ๆ, ๆเสร็จแล้วมันก็รู้สึกว่าง่ายง่ายมากเลยการปฏิบัติเนี่ย รู้สึกมันง่ายนะพยายามเท่าไหร่นะมันก็ไม่เจริญขึ้นคิดว่าเราทําได้แล้วภาวนานอยู่นอนเลยนะคีดว่าจะต้องทําให้ได้เราจะต้องทําให้ได้คิดอย่างนี้นะตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดลว้วันนี้เราจะปฏิบัติอีท่าไหนดีถึงจะดีกว่าเก่าอีกเยปฏิบัติจะเอาดีนะปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบทําไงปัญญาจะเกิดอย่างเนี้ย ปญญาไม่เกิดในยอมไม่ได้ทีใจเหี่ยวเฉาเลยภาวนามาตั้งเดือนหนึ่งครึ่งเดือนเลยเนี่ยไม่ได้ความรู้ความเข้าใจอะไรเพิ่มเลยสรุปอะไรเพิ่มขึ้นไม่ได้สักนิดเลยแล้วก็ใกล้เวลาจะไปหาครูบาอาจารย์นะร้อนรนเหมือนกันนะปั่นกันบ้านใหญ่เลยทําภาวนาใหญ่หากันบ้านจะไปส่งอาจารย์หาไม่ได้บางทีหาไม่ได้ นั่งรถทัวไปหินหมักเป้งนั่งไปทั้งคืนก็ปั่นกันบ้านอยู่ตอนยังคืนอีกนะเชา้าจะต้องเจอหลวงปู่อะไรเงี้ยสุดท้ายทำกันบ้านไม่สําเร็จไม่สำเร็จช่างมันเถอะช่างมันเถอะนะได้กันบ้านแล้วได้กันบ้านไปส่งครูบาทาจารย์ก็ชมชมแล้วก็่ปลื้ม อ, อกปลื้มใจควาจริงปลื้มใจตั้งแต่ว่ามีผลงานแล้ว ก็คอยคิดนะกลับมาก็คอยคิดอีกทำไงจะดีกว่านี้ทําไงจะดีไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติให้รู้ถูกเข้าใจถูกนะคิดว่าปฏิบัติยังไรจะดีปฏิบัติยงไงจะเกิดมากผลนิพพานเยอะๆหนึ่นนนงจะเกิดบ่อยๆดิ้นรนใหญ่ ใ, หใช้เวลามากในการเรียนรู้ลองผิดไม่มีลองถูกหรอกมีแต่ลองผิดลองทีไรผิดทุกทีเลย ถ้าเมื่อไหร่เกินจากการรู้รูปนามลงปัจจุบันตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก็เป็นการลองผิดทั้งหมดหะรู้ไปสบายๆเห็นรูปธปทำนามมาทำเขาทางานนะดูไปเรื่อยท้ยมันก็เห็นความจริงปฏิบัติให้เห็นความจริงเท่านั้นเราพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะว่าจิตมันยอมรับความจริงได้ อย่างเราทุกข์มากนะแต่ละคนบางทีสังเกตให้ดีเราเป็นทุกข์เพราะว่าเรายอมรับสภาวาของปัจจุบันไม่ได้อย่างเราแก่ถ้ า, ายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์มากนะเราเจ็บไข้ได้ป่วยยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์มากเราใกล้จะตายยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์มากเราเจอคนที่เราไม่รักต้องอยู่กับคนที่เราไม่รักไม่ชอบใจก็ทุกข์มากเราพลาพลากกับคนที่เรารักที่เราชอบใจเราก็ทุกข์มาก เรายอมรับสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันไม่ได้ก็ดิ้นรนไปด้วยนั่นเรามาฝึกจิตฝึกใจนะให้เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างบังคับไม่ได้ใจยอมรับความจริงตัวนี้ได้นัใจก็อยู่กับปัจจุบันยังมีความสุขแก่ก็แก่อยังมีความสุขอะไรมันแก่ร่างกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่ จ็เพราะยังมีความสุขนะอะไรมันเจ็บนะร่างกายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเราก็มีความสุขของเราอยู่ได้เราจะตายเราจะพลาดพลากจากสิ่งที่รักเราจะประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะสูญเสียสิ่งที่คุ้นเคยไปอะไรเนี่ยเราก็อยู่ของเรายัางมีความสุขได้บางทีแต่ก่อนนะไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านมักจะอายุยืน90้าสิบร้ยหนึ่งร้อยกว่าอะไรเนี้ยนะ ไปดูท่านท่านมีความสุขนะถ้าเป็นเรานะจะมีความสุขไหมคนที่เรารู้จักคุ้นเคยมาด้วยกันนตายไปหมดแล้วเหลือตัวคนเดียวแนละ้วคงยังเงียบเหงาว่าเวอย่างคนแก่แก่ถ้าไม่ภาวนานะยังชีวิตเต็มไปด้วยความเงียบเหงาว่าเหวแล้วเคยมีลูกอยู่ในบ้านลูกก็ไปไหนหมดแล้วไ่ทํามาหากินยา้ยายาย้ายกันไปหมดแล้วฝรั่งก็ไม่ค่อยรู้สึกนะ คนไทยมอยู่เป็นครอบครัวรวมๆกันเยอะนี้พอมาสังคมมันเปลี่ยนลูกหลานแยกออกไปหมดเรียนหนังสือบางทีก็แยกออกไปละอยู่กันสองคนตา ย, ยายเงยียบเหงานะก็ยังมีเพื่อนกัน้ตายไปคนหนึ่งนยะโอ้โหเฉาเลยเขาเนี้เฉนะาเดถ้าเราพอนาได้นะก็มีความสุขอยู่อยู่คนเดียวก็ดีไม่ต้องคุยกับใครนะสบาย บางคนอยู่คนเดียวไม่มีใครคุยด้วยกลุ้มใจถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะอยู่ลาพังของเราไม่มีคนซึ่งดีกว่าเราหรือคนเสมอกระเรานะเราอยู่ของเราคนเดียวเรามีความสุขหายใจเป็นเพื่อนไปก็ได้พุโทโธเป็นเพื่อนไปก็ได้ไม่ต้องมีเพื่อนเป็นมนุษย์หรอกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะังอยู่ไปเรื่อยมีชีวิตอยู่มีความสุขออกจะตายไป ใจยอมรับความจริงได้นะใจเขาอยู่ที่ไหนก็มีความสุขที่นั่นแหละถ้าใจยังคันคันใจยังหิวหิวอยู่ตรงไหนก็ไม่มีความสุขเนี่ ใ, ใจมันจะยอมรับความจริงได้เราก็ต้องเอาความจริงไปให้ใจเห็นบ่อยๆพาจิตมันดขขขมมนนูของจริงของจริงของร่างกายก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของจริงของจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูไปเรื่อยดูไป ต่ไปเราก็จะแค่ว่ายังหายใจอยู่ก็มีความสุขนะอหรือว่อแก่เท่าไม่มีใครดูแลนะแล้วเราก็มีลมหายใจยังมีลมหายใจอยู่ก็จะไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกอยู่กับสติอยู่กับปัญญาอยู่กับสมาธินะมีความสุขพวกลูกหลานดูแลมากก็ลําบากนะบางคนจะตายลูกหลานก็ยื้อนะไปหามหมอ การรักษาพยาบาลยุคนี้นะโหดร้ายทารุณมากเลยเชื่อตรงโน้นเสียบตรงนี้ตลอดเวลาถ้าตายตามธรรมชาตินะมันไม่ทรมานนานตายผิดธรรมชาตินะโอ้ทรมานนานนะตั้งหลายเดือนก่าจะตายสุดท้ายก็ตายแต่ก่อนจะตายนี่ถูกเฉืนเ้นระเรขไปหมดทั้งตัวนะบางคน ครูบาอจารย์ท่านเลยชอบตายอยู่ในวัดไม่อยากให้หมอมายุ่งเยอะท่า น, หาา น, นกหายใจของท่านไปมันเลิกหายใจเมื่อไหร่ก็แล้วกันไปแล้วลองนะลองมาอยู่กับปัจจุบันหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวมีเพื่อนคือลมหายใจของเราเอง ม, มีสติรู้ลมหายใจมีสมาธิมีใจตั้งมั่นอยู่ เป็นคนดูเห็นร่างกายมันหายใจเหมือนเราดูคนอื่นไ ม, ไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนเราดูคนอื่นอยู่ไม่ต้องกลัวเงียบเหงาว้าเวคนรุ่นเรานะต่อไปข้างหน้าเนี่มันจะเงียบเหงาว่าเวสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วสังคมไทยสมัยก่อนนะอยู่กันเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากเลยมี พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหรนอยู่กันเจ็ดเจ็ดชั่วโคตรเลยบางทีอยู่อยู่กันยแย่ๆเลยไม่เหงาทุกคนมีหน้าที่นะทุกคนมีศักดิ์ศรีอย่างคนแก่ก็มีศักดิ์ศรีมีหน้าที่เลี้ยงหลานเลี้ยงหลานก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมนะ่ท่านเดี๋ยวนี้คนแก่ไม่มีหน้าที่ไหมถูกปลดเงียบเหงาว่าเวไม่มีศักดิ์ศรี ชีวิตรู้สึกไม่มีคุณค่าไม่ได้ทําประโยชน์หนึ่งแต่สังคมแบบนั้นมันหมดไปแล้วนะก็ยอมรับความจริงแล้วต้องอยู่ให้ได้ต่อไปเนี้ยวันข้ า, หางหน้ารงหนักกว่านี้อีกแหละเดี๋ยวนี้คนก็ปรับตัวได้เยอะนะคนจีนนะปรับตัวได้เยอะเลยเริ่มสั่งลูกหลานแล้วถ้าตายให้เอาไปเผาเพราู้ความจริงแล้วว่าเชงเมิงก็ไม่มีใครมาจะสั่งให้เผากนะันเท่านั้นะนะ นั้นเราต้องอยู่ของเราได้นะอของเราให้ได้มีสติหายใจไปรู้สึกตัวเห็นร่างกายนี้เหมือนดูคนอื่นอยู่นะถ้าความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นเราก็เห็นเหมือนเห็นคนอื่นอีกจะดูไปสบายมีความสุขกับและวกิเลสอะไรแทรกเข้ามาก็รู้ทันความรู้สึกอะไร เปลี่ยนแปลงขึ้นในใจเราก็คอยรู้ทันฝึกให้มากเลยปัจจุบันก็มีความสุขอนาคตก็มีหลักประกันว่าจะมีความสุขบางคนไปซื้อประกันนะว่าจะมีกินมีใช้แต่มันประกันไว้ได้หรอกว่ามีความสุขประกันได้นิดหน่อยว่าไม่อดตายแก่ขึ้นมาจริงๆนะมีเงินนั้นก็ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเรา ปฏิบัติทำนะเรามีหลักประกันนะว่าเรามีความสุขร่างกายอาจจะชารุดสุดโทมนะอาจจะไม่มีใครดูแลไม่มีอะไรแต่เรามีความสุขเวลาตายก็ตายง่ายไม่มีใครมาเชื้อดเราจิ้มตรงโน้นจิ้มตรงนี้เนานะเ <c oughs> ยันธรรมะนี้ให้ประโยชน์ให้ความสุขกับเราทั้งปัจจุบันนะทั้งอนาคต ถ้าเรามีหูมีตาเราลึกชาติได้หรือรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่นี่ที่นี่เราจะรู้ว่าวัฏฏะยาวยาวนานการที่เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้มันชั่วคราวท่านนึงเหมือนฝันอยู่ท่า น, นชีวิตที่ฝันฝันลอยๆยไปเรื่อยๆให้เราอยู่กับธรรมะได้นะเรามั่นใจตัวเองได้ อนาคตดีกว่านี้อีกมีธรรมะให้ประโยชน์ให้ความสุขไม่เฉพาะในชีวิตนี้ตายแล้วก็ยังให้ประโยชน์ให้ความสุขได้อีกอย่างอื่นให้ไม่ได้เน่าไม่มีหูเมตตานะเราก็จะเห็นแค่ว่าธรรมะให้ความสุขในปัจจุบันให้ความสุขในอนาคตของชาตินี้ ถ้าเราพอนานมีหูมีตาอะไรได้ระ ล, ลึกได้อะไรได้นะเราก็จะรู้เลยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบางทีก็สูงขึ้นบางทีก็ต่าลงบางทีก็เจริญขึ้นบางทีก็เสื่อมลงมันคือภาพจําลองอย่างเดียวกับในใจของเราเนี่เองในใจของเราบางทีก็เจริญขึ้นบางทีก็เสื่อมลงในวัฏ ต, ตะนี่ก็เหมือนกัน สัตวที่เดินทางในวัฏฏานี้บางทีก็เจริญขึ้นบางทีก็เสื่อมลงเป็นอย่างนั้นได้ได้เป็นปกติแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมการปฏิบัติชาตินี้เกิดเราไม่ได้มรรคผลนะชาติหน้าได้ง่ายถ้าเราสติสมาธิปัญญาเราอบรมไว้แก่กล้านะชาติต่อไปจะง่ายเลยหรือถ้าเรารักตัวกลัวตาย กลัวลำบากกลัวอย่างนโน้นกลัวอย่างนี้นะไม่กล้าปฏิบัติสติชาติหน้าก็ยากอีกหลวงพ่อเคยอ่านเรื่องพระภาหิยะนะอ่านแล้วประทับใจมากเลยโอ้โหคนไรใจเด็ดปันนั้นสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนชื่อพระกัตสปะท่นานศาสนาท่านกำลังจะสลายตัวท่านนิพพานไปนานาศาสนากำลังเสื่อมฟ้าทั้งหลายก็เหลวไหล ไม่ได้เป็นพระที่แท้จริงนะเหลือพระหนุ่มๆกลุ่มหนึ่งนะไม่กี่องค์กเพื่อนกันรู้สึกว่าถ้าเราปล่อยตัวอยู่อย่างนี้เราก็จมลงเหมือนพระอื่นๆท่านเหล่านี้ใจเด็ดนะท่านออกไปป่าขึ้นภูเขาไปภูเขานั้นก็ชันมากเลยนะต้องทาบันไดไต่ขึ้นไป เราขึถึงยอดเขานะท่านลือบันไดทิ้งเลยนะไม่ให้ลงละลงไม่ได้นะคนเราอดข้าวได้กี่วันข้าวได้ก็หลายสิบวันอยู่นะห <c oughs> ลวงพะะ่อเกษมเคยอดข้าวสี่สิบเก้าวันอดได้ท่านเหล่านี้ก็ตั้งใจแล้วแหละว่าถ้าไม่ได้ธรรมะก็ยอมอดตายอยู่บนเขาไม่ลงมาเราะั้นท่านจะมีเวลาภาวนานเนี่ย เอาชีวิตเข้าแรกนะเดือนกว่าๆวาันแรกขึ้นไปภาวนานะองค์หนึ่งเป็นพระลรหันนะท่านก็มีฤทธิ์ด้วยท่านก็ไปบินทบาทมาด้วยฤทธิ์ของท่านตอนเช้าไปบินทบาตมาก็เรียกเพื่อนสี่ห้าองค์นะได้ให้มากินข้าวด้วยกันนะเพื่อนไม่เอาบอกว่าเจอภาวนา แต่มาก็อีกองหนึ่งเป็นพระนาคาอนะไรพระพาหิยะเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเราตายเป็นเข่าตายปรากฏว่าพอมาเจอพระพุทธเจ้าของเรานี่นะท่านฟังธรรมานิดเดียวท่านบรรลุพระอรหันต์ก็เป็นเอตทักคะด้วยทางรู้เร็วเร็วกว่าเพื่อนเลยในประโยคไม่กี่ประโยคที่พระพุทธเจ้าเทศ พระเจ้า e บอกดูก่อนภาหยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบในการนั้นท่านย่อมไม่มียากนะธรรมานี้เห็นจักเป็นสักว่าเห็นฟังจักเป็นสักว่าฟังทราบจักเป็นสักว่าทราบถ้าสักว่าสักว่าได้ท่านจะไม่มี ถ้าท่านไม่มีในปัจจุบันไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตนะไม่มีในที่ใดนะนั่แหละที่สุดแห่งทุกข์ท่านฟังเท่านี้ท่านบนรรลุพระอรหันตะ์เราฟังให้ตายนะบันทึกเสียงไว้แล้วเปิดตั้งแต่เช้ายันค่ำสามวันสามคืนก็ไม่บรรลุหรอกทำไมไม่บรรลุเราไม่ได้ทำมาอย่างท่านงั้นอินทรียายังไม่แก่กล้านะเราพาักเพียนเข้าภาคเพียน ไม่มีอะไรดีกว่าอดทนรักษาศีลห้าฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแยกธาตุแยกขันดูธาตุดูขันทำงานเรื่อยไปถ้าดูถึงจิตใจได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูร่างกายร่างกายตัวเองนะดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำความสงบไหมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรก็ทำไป มีลมหายใจเป็นเพื่อนมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นเพื่อนแวดล้อมอยู่เหมือนตอนพระพุทธเจ้าจะตัด ส, สู้กับมารมารยกทัพมาเยอะแยะพระพุทธเจ้าก็มีกองทัพของท่านนะเป็นกองทัพเล็กๆคือโพธิปักขียธรรม37ประการหรือธรรมะที่สะสมบา ร, รมีมานั่นแหละทั้งหลายนั่นแหละ ศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยนะคุณงามความดีทั้งหลายนะมีสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะมีปีติมีปัตสัตธิมีสมาธิมีอุเบกขาอะไรเนี่ยนะรู้ทุกขลา ส, สมุทไทยแจ้งนิโรธเจริญมรรคและท่านมีกองทัพของท่านคือกองทัพของธรรมและท่านก็สู้กับมารได้ เราก็ต้องสร้างกองกําลังขึ้นมาในตัวเรานะสร้างบารมีคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีทั้งหลายบารมีทั้งหลายเนี่ยถ้าถึงขีดสุดนะมันคือการกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะบารมีนะถ้าถึงขั้นสูงสุดเนี่ยกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะเจ้า ช, ชายสิทธัตถะบารมีเต็มกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะ ท่านถึงชนะมานได้ถ้าเรากล้าสละธรรมะเพื่อชีวิตแล้วก็เราก็เป็นลูกน้องมา น, น <ะ S 1> ใครกล้าสละธรรมะเพื่อชีวิตบ้างทั้งห้องแหล ะ, <น>ะใครกล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะก็เป็นคําขวัญถ้านบารมีไม่พอสู้ไม่ไหวหรอก <นะ S 1> อย่างบารมีสิบตัวนะฐานะบารมีฐานะบารมีก็มีสามระดับะ ระดับเบื้องต้นบารมีพื้นๆก็บริจาควัตถุสิ่งของอะไรอย่างงี้สูงขึ้นมานะบารมีสูงขึ้นมากล้าสละเลือดเนื้ออวัยวะอะไรพวกนี้นะสูงสุดนกล้าสละชีวิตตายก็ตายนะขอปฏิบัติพาะเราใครเคยบริจากรหิตบ้างนี่สูงกว่าให้เงินนะสูงกว่าให้เงิน เป็นระดับอุปบารมีเก่งนะเก่งไหนยกมืออีกทีใครเคยอนุโมทนาด้วยหลวงพ่อจะได้ได้บุญด้วยธ <c oughs> รรมะทั้งหมดนะจะลงมาตรงเนี้ยตรงที่ละความยึดถือในตัวในตนอย่างเนคข ม, ม า, ารมีไม่ใช่ว่าเราต้องออกบวชนะเนคข ม, มารการออกจากกรรม ถ้าวันๆหนึ่งนะเพลิดเพลินแต่เรื่องดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นริ้มรสหาสัมผัสทางกายอรนะีเลยคิดนึกก็คิดนึกแต่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสอันนี้เรียกว่าอยู่ในกามถ้าเราตัดออกตัดใจลดละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสบ้างนะีก็คือในกขม ะ, ะนี่เนกขมะ แก่กล้าก็คือกล้าสละชีวิตเพื่อจะออกจากกรร ม, มในชาดกมีพระเตมีทำเป็นง่อยเพื่อจะไม่เป็นกษัตริย์จะได้เข้าไปทิ้งพม่ได้ออกไปบวชอะไรเงี้ยเนื้อ ก, กล้ายอมทุกอย่างเลยนะพระผูริทัตมีฤทธิ์มีอำนาจมากนะถูกคนรังแกก็อดทนนะ รักษาศีลคล้ายๆว่าตายก็ไม่ยอมผิดศีลเนี่ยสุดท้ายมันจะมาลงมาตรงนี้ถึงตายก็ไม่ยอมเสียธรรมะถ้าใจของเราเป็นถึงขนาดนี้ได้นะเราไปฟังธรรมนะนิดเดียวก็ไปละ <c oughs> แบบพระ า, ายะเน้นแต่ก่อนจะเป็นอย่างปายะได้ต้องฝึกฝึกตัวเองนะเข้มแข็งไหมย้อนแอ อย่ามเข้มแข็งต่อสู้นั่งเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ